พระธรรมเทศนาแผ่นที่65าลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่13สิงหาคม2557มีชื่อเรื่องว่าสำรวจพื้นที่เพื่อสร้างเจดีองหลวงตาเมื่อวาน วันที่12สิงหาพุทธศักราช2557เป็นวันแม่แห่งชาติและก็พร้อมกันก็เป็นวันเกิดขององค์หลวงตามหาบัวคณะสิทธิานุสิทธิทั้งหลายทั่วทุกสารทศิศตถ้าหากว่าท่านยังมียั ง, งทรงธาตุขันอยู่ลูกศิษย์ลูกหาก็ามาจาก ทุกสารทิศอย่างที่ได้กล่าวแน่นถนัดไปหมดแต่ในเมื่อหลวงตาจากไปเมื่อปี54ปีนี้ก็ปี57พวกเราคณะศิทย์อนุสิทธิก็ยังลำลึกถึงบุญคุณขององค์หลวงตาก็ได้พร้อมกันจัดหรือว่ามาพร้อมกันแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตวเวทิตาทำที่ท่านได้เมตตาแนะนำสั่งสอน พวกเราได้รู้ศีลรู้ธรรมาตามแต่สิทธิอนุนสิทธิ์แต่ละคนที่ได้รับก็ถึงยังไงก็ยังลํำลึกถึงพระคุณของท่านาที่ท่านให้ธรรมะกับพวกเราเมื่อวานก็เข้าไปก็รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนล้นหลามมากจนหาที่จะจอดรถไม่ได้ เข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปพวกไปที่หลังเนี่ยเป็ว่ารถติดตั้งแต่กลางหมู่บ้านขึ้นไปล่ะก่อนเข้าหมู่บ้านรถยาวเหยียดยแต่หลวงพ่อเนี่ยไปก่อนพ่อตีสีก่กว่าหลวงพ่อก็คิดว่ารถจะติดแน่หรอกบ้แต่ขนาดนั้นกเกือบเข้ายากพอสมควรพอไปถึงแล้วประมาณสักไม่ถึง30นาทีหลวงพ่อก็ได้บินทบาทบินธบาทก็โอ้โห ล้นหลามมีแต่ทักทายโอ้หลวงพ่อไปยังไงมาอย่างไงเพราะว่าหลวงพ่อได้ไปจัดงานสรีระของหลวงตาเมื่อปี54ไปอยู่ที่ที่นั่นตั้งแต่หลวงตาจากไปจนหลวงตาพระราชทานเพลิงสรีระสังขารเดือนมีนาวันที่5มีนา หลวงตาจากไปวันที่ส0มสบมกราประธานเพลิงวันที่หมีนาห้าสี่ระหลวงพ่ออยู่ที่นั่นหลายเดือนจัดงานศริละขององค์หลวงตาแต่คราวนี้ก็เห็นสัทธาญาจยมมาใส่บาตรรู้สึกว่าอุ่นหนาฟ้าข้างที่เดียวทั้งที่คอยใส่บาตรนะเนเหงื่อแตกเหงื่อไหล ต่งยืนเพราะมันขวดมันมากแต่ที่ยงไงไ็เวลาใส่บาตรยิ้มแย้มแจ่มใสคล้ายๆก่าได้ทําบุญได้ทาบุญในวันเกิดของหลวงตาปีหนึ่งครบรอบครั้งหนึ่งไม่รู้อุมลูกเลกเด็กแดงใส่บาตรเห็นลวพ่อเห็นแล้วกออ็ประทับใจในการแสดงออกซึ่งน้ำใจของ ศรัทธาญาติโยมสิทธิ์ญาติสิทธิ์ลูกหลานขององค์หลวงตาเรานะจากนั้นก็ได้เข้าไปที่ศาลาจัดอาหารพอเสร็จแล้วก็มีการทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสถทธานิวิทยุเสียงธรรมแล้วก็เพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเมื่อวานะแต่ยอดเท่าไหร่หลวงพ่อก็ไม่ทราบแล้วก็พร้อมกันเราก็นัดคารวะ คารวะองค์หลวงตาทหาวรหลวงตายังทรงธาตุขันอยู่พวกเราก็เตรียมดอกไม้ทูบเทียนปีหนึ่งจัดคารวะครั้งหนึ่งวันเกิดขององค์หลวงตาพร้อมกันสิทธิอนุสิท์ทั้งหลายนี่ก็ปีนี้ก็เมื่อหลวงตาจากไปเราก็นัดกันอกีกแต่หลวงปูป่บุญมีมาเป็นประธานเมื่อวานหลวงปูป่บุญมี ปริปุโนวัดป่านาคูนท่านชั้นจังหันเสร็จแล้วท่านยังค่อยมาพวกเราก็เตรียมทอดผ้าป่าไปก่อนมีคนถวให้ผ้าป่าเจ้าอาวาสแล้วพอเมื่อลุงปู่พอมาถึงเราก็ให้พักทอดผ้าป่าไว้ก่อนจากนั้นเราก็เตรียมคารวะพอวันลุงปู่ท่านจะอยู่ไม่ได้นานท่านมาแล้วท่านเหนื่อยท่านนั่งไม่ได้นาน สุขภาพของท่านก็80กว่า8788แแล้วแต่หลวงปู่ลีทราบก็ไม่สบายท่านไม่ได้มาหลวงปู่ลีหลวงปู่บุญมีท่านมาหลวงพ่อก็ถ้าจะว่าเป็นวิทยากรหรือเป็นโคศุกลักษณะอย่างงั้นเพราะหลวงพ่อก็เป็นรุ่นน้องทีว่าเป็นใหญ่กว่าพี่น้องน้องทั้งหลายลงมาจากหลวงปู่บุญมีหลวงปู่ลีก็คือหลวงพ่อ หลวงพว่อกลเออพี่น้องทศชายาดจมมาพร้อมกันวันนี้ก็หลวงตาจากไปจากพวกเราไปร้อยหน่งปีถ้าถหลวงตายังมีชีวิตอยู่ปี57าสิเจ่ยชีวิตของหลวงปู่อายุของหลวงตาของเราก็ร้อยหนปีแต่บัด น, นี้หลวงตาได้จากไปตั้งแต่ปี54ปีนี้ปี57 แต่พวกเราก็ยังลำาลึกถึงพระคุณของหลวงตาครบรอบวันเกิดของหลวงตาแล้วก็เราลำาลึกถึงพระคุณที่หลวงตาให้กับพวกเราคือพวกเรามาแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาเพราะท่านเป็นบุพการีเป็นบุพการีคือบุคคลผู้มีอุปการะก่อนคือท่านให้ธรรมะกับพวกเราแต่พ่อแม่เป็นผู้ให้ ร่างกายกับพวกเราเนี่ยปเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะคือพ่อแม่คือให้ร่างกายอันนั้นเราก็แสดงความกตัญยด้วยอา mith อ, อามิตรให้สดสงเคราะ์พ่อแม่แต่นีนองค์หลวงตาเนี่ยท่านให้เป็นบุพการีให้แนวความคิดให้ธรรมะทางด้านจิตใจให้พวกเราประพฤติปฏิบัติจะเดินทางยังไงจะทํายังไงปฏิบัติตนอย่างไร อันนี้แปลว่าให้ธรรมะให้แนวทางดำเนินชีวิตทางด้านจิตใจของพวกเราแนคะ่จะว่าไปแล้วให้นามธรรมฮะให้ธรรมะธรรมคือแนวความคิดกับพวกเราพวกเราก็ไปแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อองค์หลวงตาตวันนี้หลวงปู่กุณมีเป็นประธานอันดับแรกเราก็จะคารวะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเพราะว่า พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นศาสนาเป็นต้นพระศาสนาเป็นต้นความคิดของครูบาอาจารย์ของพวกเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นเราคารวะหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาน่เป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเป็นอาจารย์ของหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเรา เป็นทอดลงมาวันนั้นพวกเราจะต้องคารวะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนหลวงพ่อก็พานำกราบเสร็จแล้วกว่านมโมสมจบแล้วก็รันตนตาเยประมาเทนะข้าพรเจ้าขอคารวะพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รันตนตาเยประมาเทนะได้ประมาทพลาดพังพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยกายวาจาใจ ขอโปรดโอโหสิจากนั้นก็มหาเถเรปรมาเถนะข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังพระมหาเถระหลงปู่เสาหลงปู่มั่นหลงตามหาบัวด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอมหาเถระโปรดโอโหสิให้กับพวกเราท่นทานทั้งหลายด้วยเสร็จแล้วเราก็เอากลาบับคาระวะหลวงปู่บุญมีพร้อมกันเองเพราะเป็นพี่ชายใหญ่ของพวกเราเป็นสิทธิ์ลูกสิทธิ์ขององค์หลวงตา แเราก็มหาเถระประมาเถนะท่านมหาเถระท่านมีอายุพรรษาถึงห้าหกสิพรรษาแล้วเป็นมหาเถระแต่พวกเราได้ประมาทพลาดพังโดยกายวาจาใจก็ขอให้ท่านโอโหสิให้กับพวกน้องๆ้พวกลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายด้วยอันนี้ก็คือการเคารพการวะแต่จากนั้นมาพวกน้องๆ้องที่มีอายุพรรษาน้อยกว่าหลวงพ่อเขาก็บอกว่า เอาคารวะหลวงพ่อยินด้วย เ, เขากล่าวคำคารวะหลวงพอ่อหลวงพอ่อเอา้าคารวะก็คารวะแต่หลวงพ่อก็ให้คำแนะนำว่าพวกท่านทั้งหลายได้มาคารวะผมหรือหลวงพอ่อผมก็คือพวกมูพวกเพื่อนน้องน้งทั้งหลายาหลวงพ่อก็คือศรัทธาญาติโยมพร้อมกัน ในประมาทพลาดพัง้งด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยความบกพรสเ่ามากง่ายรู้เท่าไม่ถึงการลุงพ่อเองยินดีกับผมเองยินดีอโหสีให้กับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ขอให้พวกท่านทั้งหลายสํารวมระวังอย่าให้ซ้ำซากไม่ใช่ประมาทแล้วประมาทอีกซ้ำซากให้พวกท่านทั้งหลายสํารวมกายวาจาใจของตนเอง ผิดถูกอ่าพูดกันได้และก็พร้อมกันกขอให้พวกเราเจริญยิ่ยงถวยอายุวันณนะสุขภาระล า, ลาบลาบยศสรรเสริญสุขปราศถนาเสียงใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราศถนาแล้วก็ได้ให้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดหลวงพ่อก็ให้ศีลให้พรนี่แหละอันนี้คือเมื่อวานนี้หลวงพ่อก็ได้ ปาล็กว่าเจดีย์ของหลวงตาเนี่สร้างแน่พี่น้องศรัทธาญาติโยมเพราะว่าตะกอนหน้านี้ก็ได้วางศิลาฤกไปรอบหนึ่งแล้วที่ทุนกระหม่อมพระหญิงจุราภรณ์ข่าวนั้นก็จวนจะตั้งคณะกรกรมการทําแต่มีอุปสรรคลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตามีมากคนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งก็เลยเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแนวความคิดามาเสียเวลาถึงมากพอสมควรแต่บัด น, นี้เริ่มขึ้นมาใหม่เพราะทางจังหวัดทางผู้ที่เกี่ยวข้องได้ภาพถ่ายทางอากาศที่วัดป่าบันตาทั้งหมดจะเอาลรงที่ตรงไหน เ, เข้าไปทูลถวายฟ้าหญิงฝ้ายหญิงก็ประธานบอกว่าเออเอาถ้าหว่าสิทธิยาวน้วยสิทธ์คณะสงฆ์ ศรัทธายาตโยมชอบที่ตรงไหนก็เอาพิจารณากันแต่จะให้ท่านเป็นประธานท่านก็พร้อมที่จะเป็นประธานให้เพราะว่าขอให้ท่านเป็นประธานถ้ามาท่านไม่เป็นประธานนะใครละ่ะจะมาเป็นประธานมันเป็นไปได้ยากนะพระองค์ท่านก็รับจากนั้นเขามาท่านก็ลงให้ลูกสาวของท่านพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรณ์ กับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาเป็นทีมเวิร์กทีมใหญ่มาตรวจมาพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการทั้งที่ดินจังหวัดทั้งโยธาจังหวัดทั้งรองผู้วา่าครบทีมทางจังหวัดก็ต้อนรับท่านก็มาดูมาดูที่จะสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาวันท่าน มาวันที่สานะท่านเสด็จมาวันที่สพระองค์เจ้าจิติภาจุธาภรด้วยพระบัญชาคุณแม่ของท่านนะคื อ, รอพระทูลกระหม่อมพไหญิงจุราภรมีพระบัญชาให้ลูกสาวกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยมาดูว่าจะเอาตรงไหนแล้วก็ท่านก็มาวันที่สสิงหา วันที่สามสิงหามาถึงอุดรวันที่4ี่เข้าไปพบกับเจ้าอาวาสแล้วก็ไปดูผังผังของวัดวันที่ห้าท่านก็เข้าไปตรวจดูว่าเจะโอทจุดไหนกันแน่แต่ที่ยังไงท่านก็ทำเป็นละนาบเดียวกันให้มาถึงพระราชทานเพลิงสิริละของหลวงตาหลวงพ่อก็ได้ดูนะวันที่หกท่านก็เข้ามาที่นี่ องค์เจ้าสิทธิภาจุทธาภรณ์กับคณะนะเอ้มาที่วัดหลวงพ่อท่านก็เอาแบบแปลนมาให้ดูหลวงพ่อก็ดูดูหลงคอบไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรหรอกเพราะแปลนของท่านสถาปนิกเนี่ยใครจะไปครอบงำสถาปนิกเนี่ยยากเพราะฉะนั้นเราก็ไม่คิดว่าจะครอบงำเป็นความคิดอิสระในการออกแบบเจดีย์แต่ว่า ท่านก็บอกว่าจะสูงกว่าเก่านะหลวงพ่อแต่ก่อน38เจดีสามสเมตรแต่บัดนี้จะคงจะเป็นห้าสิบเมตรหลวงพ่อก็อือแล้วจะไม่เลียวเหรอหลวงพ่อก็ทางจะไม่เลียวเหรอพอเราห้สิบเนี่ยกับ38เขาบอกว่าข้างล่างเนะี่ยจะคงจะทําเป็นลักษณะศาลาลายติดกับพระเจดีเพื่อจะให้เจดี ใหญ่ขึ้นในช่วงล่างถทำมาอย่างนั้นก็คงจะเลียวอย่างที่หลวงพ่อพูดสุดลูดเกินไปหรือเอาหลวงพ่อขาฟังและรอบละ่ะรอบคงจะทําเป็นสะไม่ได้ทํากําแพงไม่ครับทําเป็นสะล้อมรอบแล้วก็มีประตูปิดเปิดเข้าออก อ, อันนี้ก็คือความคิดเห็นแล้วก็ฟังอพอดูๆแล้วก็เราก็เห็นด้วยเพราะว่าท่านลงทุนขึ้นไป เอรรถเคสน30เมตรจากเมืองอุดรถ้าอยากจะได้50เมตรแต่ปนไม่มีในซึกรถเคสน0ามเมตรท่านก็นู่นนะช่างวิศสถาปนิกก็ขึ้นไปอยู่บนปลายยอดเคนนะขึ้นไปดูเพื่อจะวางแผนนะลงทุนถึงขนาดนั้นละ่ะที่จะดูภูมิทัศน์ลงทุนนี่แหละ ไม่ใช่ว่าทำทำแบบรอเละแหลและนะไม่ใา่ทำมักง่ายนะหลวงพ่อเห็นแล้วอืประทับใจผู้ที่จะออกแบบเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตานะจากนั้นเ้าก็เอามาให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเป็นแปรแปลนของผังของสถาปนิกแต่เขาก็ถามว่าท่านอาจารย์จะมีการแนะนำอะไรไหมแนวความคิดของท่านอาจารย์ คือตามไม่จริงความรู้ความอาทอกียงทุกอย่างเนะี่ยใครพูดอะไรมาจะทับไปนี่หรือว่าไม่ว่าใครแนตะ่จังหลวงพ่อเนะี่ยหลวงพ่อจะฟังนะไม่ใช่ดันทุลังนะไม่ใช่ว่าเอาจากใจตัวเองชอบอย่างเอาอย่างนั้นหัวชนฝาไม่นะนิสัยของหลวงพ่อเนะี่ยหลวงพ่อจะต้องฟังฟังฟังเสียจแล้วก็นำมาคิดพอนำมาคิดเสร็จแล้วเราก็ต้องบวกลบคูณหารดู ที่เขาพูดเนี่ยถูกต้องไหมถูกต้องไหมดีไหมอันนี้เมื่อดีเราก็ต้องรับรับไปพิจารณาและจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่านี้ทำอย่างไงอันนี้ก็คือการการศึกษามันไ ม, ไม่ไม่สติปัญญาเนี่ยมันไม่จบอยู่จุดใดจุดหนึ่งนะพอฟังเข้าไปแล้วมันกว้างขวางไปเรื่อยอันนี้ก็เหมือนกันะท่านก็ถามว่า อ, อยากจะให้มีอะไรแนะนำไหมหลวงพ่อ อยากจะให้มีอะไรแนะนําพวกผมไหมหลวงพอ่อเอเราก็อืมแต่ไม่ใช่ครอบงำนะออไม่ใช่ครอบงมสถาปนกิกไม่ใช่ครอบงมแต่สีแนะเอาหรือไม่เอาก็ได้มีแต่ชี้ให้ฟังเอถ้าหาว่าเปลี่ยนสถานที่ใหม่ะหลวงพ่อเสนอข้อที่หนึ่งนะเมื่อเปลี่ยนสถานที่ใหม่ที่เก่านั่นก็คือเอเป็นที่หน้าวัดแต่เปลี่ยนสถานที่ใหม่ในละแวกนั้นน่ะ มันเป็นที่ต่ำนะให้พกถ้าเป็นไปได้ควรจะถมดินอย่างน้อยสามเมตรให้สูงขึ้นพูน ด, ดินสามเมตรเพราะเหตุไรเพราะว่าเจดีชั้นเดียวเราจะทําขึ้นไปมันดูๆแล้วไม่สง่ามันต้องถมดินให้สูงถ้าสูงขึ้นสักสาเมตรเนี่ยน่าจะพอหรือมากกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีแต่มากก็ต้องทําเป็นที่กว้างออกไป เสียดินมากอันนี้คืออันที่หอันที่สองหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเป็นเวลา10กว่าปีแล้ว เ, เคยเจาะบอ่อบาดาลหลวงตาเนี่ยเอารถมาเจาะบอ่อบาดาลหลวงพ่อเองเป็นพระในวัดก็ให้ไปคุมไปดูแลไปควบคุมพอหลวงพ่อมีอายุพรรษาน้องๆกับหลวงปู่คุณมีหลวงพ่อจะต้องไปดูอย่างใกล้ชิดกับพวกเจาะบอ่อบาดาลพอเจาะๆลงไปไปเจอดินดินดํา ดินดินตับไก่ดินเหนียวเหนียวจะว่าดินดานเนี่จะว่าดินดาษน่ถูกต้องเจว่าหินก็ไม่ใช่เจะว่าดินดก็นไม่ใช่ใชพอเจาะลงไปผ่านทะลุหินชั้นนั้นลงไปน้ำน้ำเนี่เข็มปั๊ดเลยทีนี้ออกมาต้มเกลือได้นะในพื้นวัดป่าบ้านตาดเออแปลว่าบอ่อปลาดานี่ถอนทับทันทีเลยว่างั้นเถอะคนโดดเจอน้ำเข็ม นี่แหละอันนี้กับหลวงพ่อพิศกกังวลอยู่ว่าคือจังหวัดอุดรเป็นจังหวัดที่บ่อโปแตส์บกเรื อ, อถ้าเป็นไปได้เนะี่ยถ้าเราจะลงเสาเข็มเสาเจาะก็ตามเสาเข็มตอกก็ตามตอกเสาเข็มก็ตามถ้าเป็นไปได้เนะี่ยหลวงพ่ออยากจะให้ใช้ยาเคมีเหมือนกับเสาสร้างสะพานข้ามทะเลนะมันมีไหมสําหรับไปให้น้ําเค็มเข้าไปทําลายเหล็ก อยู่ข้างในถ้าวันเราไม่ได้ใส่เท่านั้นแะเด็กมันระเบิดออกมาเลยปูนก็นหมดสภาพเพราะว่าปูนตัวนี้เสาเข็มตัวนี้เราจะอยู่ให้นานเป็นพันปีแต่ถ้าตึกลานบ้านช่องร0 0ยส0 0 0ปีแต่เจดีของหลวงตาเนี่ยเราจะต้องคิดเป็นพันปีจะทำได้ไหมจะทำน้ำยากันสารกันความเข็มไม่ให เข้าไปซึมซับเข้าไปถึงเหล็กถ้ทำมืันถึงเหล็กแล้เหล็กก่อนเหล็กระเบิดสนิมเกิดเหล็กแล้วก่อนนั่นความทงทนของเจดีก็คงจะน้อยลงนะอันนี้คือเสนอข้อที่สองข้อที่สมถ้าเป็นไปได้ที่ล้อมรอบพระเจดีใช่ที่คุดสากแต่นั้นไม่ยังไม่เพียงพอถ้าว่าบริเวณเจดีมีกว้างขนาดไหนควรจะทํา กำแพงล้อมรอบแต่เป็นกำแพงโปรงก็ได้ข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นเหล็กแล้คนมองก็ไปข้างทั้งนอกได้แต่ไม่ให้คนเข้าได้สูงพอสมควรปิดเปิดเป็นเวลาหกโมงเช้าเปิดหกโมงเย็นปิดไม่ให้คนอยู่ที่นั่นเพราะเราเคยเห็นเจดียด์ของหลวงปู่ฟัน่สคนสกลนครลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังเรื่องจริยธรรม ลูกหลานเกิดที่หลังจริยธรรมรู้สึกของอ่อนอ่อนมากไม่เหมือนคนพวกเราพวกเรานี่จริยธรรมจริยธรรมอันไหนควรไม่ควรเนี่ยพวกเรารู้แต่ลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังนี่แหละพอมาเที่ยวซื้อสิ่งของมาทานอาหารเย็นจากนั้นไปหานั่งโต๊ะมาหินอ่อนรอบพระเจดีย์เด็กหนุ่มสาวนน่ ดูๆแล้วมันจูจีอะไรดูดูแล้วมันไม่ใช่สถานที่ที่จะลูกหลานจะไปนั่งไปเล่นลักษณะทำไม่ถูกต้องอย่างนั้นน่แหละควรจะปิดในความรู้สึกลงพอนะอันนี้คือเสนออันที่สี่ก็คือได้พูดกันไว้แล้วพิพิธภัณฑ์ของหลวงตานะท่านหลวงตาเน้นมากเรื่องพิพิธภัณฑ์เรื่องเจดีท่านมาเน้เน้นท่านเน้นพิพิธภัณฑ์ แต่ว่าการสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงตาเกิดหลวงตาปฏิบัติธรรมหลวงตาปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงตาสร้างวัดป่าบ้านตรัหลวงตาหาทองคำเข้าคลังหลวงหลวงตาจุตินิราพาณเป็นช่วงชีวิตของหลวงตาเราจะเอาธรรมะเข้าจุดไหนอย่างไรในจุดนั้ น, น, นเป็นประวัติของท่านคณควรจะเขียนเป็นโมเดลออกมาสะกก่อนจากนั้นยังค่อยสร้าง อาคารครอบไม่ใช่ว่าสร้างอาคารกันขึ้นมาเลยแล้วก็เอาโมโมเดลเนี่ยเอาเรื่องราวเข้าไปมันจะไม่ไม่สมดุลกันนะไม่บาลานซ์กันเหมือนกับเรายังไม่เห็นคนเราตัดเสื้อให้เขาก่อนพอได้ยินชื่อนายกนายขอน่ตัดเสือ้อพอนายกมาโอโ้โห ตัวบักใหญ่เวอรเลยเสื้อที่ตัดให้เนี่ยก็ล่องจ้องมันใส่เข้าไปกัแบบแน่นเอียดเนี่ยแต่ว่านายกอก็มาเนียตัดเสื้อให้นายกรคงจะเป็นตัวใหญ่มาตัดเสื้อตัวบักใหญ่ใสพอเอาเข้ามานี่ยนายกรผอมก็ล่อ ง, ล, องล่องนะใส่เข้าไปมันก็ไม่เข้ากันนี่แหละเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่ออยากจะให้เขียนออกแบบให้ชัดเจนซะก่อนหรือว่าเข้าๆซะก่อน ยังค่อยสร้างอาคารอันนี้ก็คือฝอฝากไว้นะอันนี้ก็คือขอให้คําแนะนำํำอันทุดท้ายก็คือเมื่อเราจะสร้างอะไรลงไปไม่ช่ว่าเขียนออกแบบแล้วก็ยัดเยียดให้ผู้เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของทำเลยเราต้องปรึกษากันก่อนวันนี้นะออกแบบขนาดนี้เงินพอไหมราคาขนาดนี้่ แ, แพงขนาดนี้นะมีเงินเพียงพอไหม ให้ถามไทยกันก่อนมันจึงไม่ทะเลาะกันเพราะถ้าหากว่าไม่พถามกันก่อนผู้เขียนแบบเขียนหลับหูรับตาเขียนให้มันดีที่สุดแต่ก็เขียนออกมาแล้ว่ผู้ที่หาเงินก็หาเงินไม่ได้ไม่มีความสามารถที่จะหาเงินเสียความรู้สึกทั้งสองข้างอันนี้ก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพวกคณะทํางานร่วมกันอันนี้หลวงพ่อไม่ได้ครอบงำนะฟังๆนี่หลวงพ่อไม่ได้ครอบงำ หลวงพ่อมีแต่ชี้นําชี้แนะให้เป็นแนวความคิดให้พวกเรามองมองไปในทางที่ถูกต้องหลวงพ่อคิดอย่างนั้นนะเพราะนั้นหลวงพ่อก็ให้คําแนะนําในการสร้างพระเจดีย์กององค์หลวงตาเนี่ยตรงทำไมหลวงพ่อพูดวันนี้หลวงพ่อเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเข้าไปเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องพระเจดีย์เพราะฉะนั้นหลวงพ่อมาพวันนี้หลวงพ่อก็เลยพู ด, พด เป็นการบันทึกเสียงให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเอาไว้ว่านี่หลวงพ่ออินมีความเห็นอย่างไรเป็นขั้นต้นและต่อไปภายภาคหน้าทามีอะไรเกิดขึ้นอันนี้หลวงพ่อไม่ได้ตั้งท่าต่งางๆนะพอฟังข่าวมันเกิดพบขึ้นในใจหลวงพ่อก็ชี้แจงแต่หลวงพ่อมาทบทวนดูแล้วก่อหลวงพอ่อคิดว่าหลวงพ่อคิดถูกนะหลวงพ่อคิดถูกเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้ น, นาขยายผลมาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟัง เรื่องเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเพื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็จะอยู่เป็นพันๆปีนะเป็นสิริเป็นมงคลสำหรับพวกเราแต่เรื่องจะตุปปัจจัยนั้นก็อย่างวาดค่อยๆหากันแต่เมื่อวานหลวงพ่อวะนี่นะศรัทธาญาติโจมหลวงพ่อขอประกาศในเมื่อทูลกรหม่อมฟ้าหญิงท่านมาบอกว่าจะสร้างเจดีย์จากนั้นแต่ก็มาวางทิ่ลเลิก แต่หลวงพ่อเองก็ได้ประกาศตอนประพักทุนกระหม่อมฟ้าหญิงกับคณะสัท ธ, ธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าบอกว่ากลุ่มของหลวงพ่อวัดปานอาคาน้อยหลวงพ่ออินทวเนี่ยวัดปานอาคามน้อยเนี่ยเรื่องเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยหลวงพ่อเองจะเป็นผู้รวบรวมจตุปัจจัยคณะสิทธิานุสิ์ในกลุ่มของหลวงพ่อเนี่ยจะได้50ล้านบาทเพื่อสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาเนี่ย อันี้หลวงพ่อยังยืนหยัดอยู่นะยังยืนหยัดคำเก่าอยู่นะฟังเอาไว้พี่น้องประชาชนหลวงพ่อพูดเมื่อวานนี่นะย้าอีกเหมั้นกันแต่คล้ายๆว่าหลวงพ่ออินจะถอยไปยังไงหลวงพ่อเน่ยเคยพูดยังไงและต้องเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อจะต้องช่วยเจดีของหลวงตาห้าสล้านบาทแต่ว่าใครใครอยากจะทําแบบหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อก็บอกนะใครอยากจะทําแบบหลวงพ่อเนี่ยก็ได้เอาหลวงพ่อจะทำเลยนั่งๆอยู่ด้ อ้าวหลวงพ่อเอ็นห้าสิบล้านอาตมาก็บห้าสิบล้านหลวงพ่อขาดก็บห้าสิบล้านหลวงพ่อจุดใจก็บห้าสิบล้านหลวงพ่อจิรวัตรก็บห้าสิบล้านเลยลูกศิษย์ของหลวงตาเนี่ยเป็น ร, ร้อยร้อยองค์เลยเอาเพียงยี่สิบองค์เท่านั้นละ่ะของละห้าสิบล้านเงินพันล้านที่ไปหายากอะไรหลวงพ่อว่านะเอเงินห้าสิบล้านที่พันล้านที่ไปหายากอะไรเพียงยี่สิบองค์นั้นแหะพอแล้วเนี่ยนี่แหละ ใคราจจะทับอย่างหลวงพ่อก็ได้นะหลวงพ่อเนี่ยใจใหญ่นะแต่หลวงพ่อเชื่อมั่นในบารมีขององค์หลวงตาหลวงตาเนี่ยท่านสังสมบารมีมาแล้วขนาดทองคำเข้าคลังหลวงในกลุ่มของเราเรายังหาได้ถึงร0 8กิโลนะเงินสดอีกต่างหากไม่ต้องนับเงินสดนะาเป็นทองคำเนี่ยร้อยแปกิโลแล้วนะเท้าไว้ครั้งหนึ่งทั้ง32กิโล ครั้งเดียวก็ยังมีนะในวัดของเราเนี่แหละเราเชื่อมั่นในบุญบารมีขององค์หลวงตาเรื่องทังด้านวัตถุเราคิดว่าเป็นไปได้นะไม่น่าหนักใจนะเราก็ย้าอีกว่านะเนหลวงพ่อพูดว่าหลวงพ่อจะหา5้าสิบล้านถ้าหลวงพ่อหาไม่ได้ เ, เดือดร้อนสัตยาญาติโยมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เดือดร้อนก็ต้องเดือดร้อนโดยกันเพราะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแล้วก็ต้องช่วยกันแต่จนถึงเดือดร้อนจนมีเรื่องราวมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าหลวงพ่อของทุกเจ้าเนี่ยโง่เง่ามากมองไม่ทะลุ ป, ปูปโปงเลยจนทำให้ลูกศิษย์ลูกหาแตกสลุกผู้พายไปหมดพวกท่านทั้งหลายจะเคารพหลวงพ่อได้ยังไงพวกหลวงพ่อขนาด วางแผนเพียงแค่นี้ก็ยังวางแผนไม่ได้หลวงพ่อกคคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะนั้นหลวงพอมั่นใจมั่นใจจะต้องหาทุนให้สร้างพระเจดีย์ของหลวงตาทำไมจึงหลวงพ่อยังพูดอย่างนั้นเพราะวันแรกมีเงินอยู่ประมาณ8 0 7 0 80ดิบปล้านแล้วใครจะเป็นคนเซ็นสัญญากับผู้รับผู้ว่าจา้างทางว่าไม่มีใครใจใหญ่ถูกพ อ, อ, อเออ เอาเท่าข้าไปเจ้าหลวงพ่ออินหลวงตาแทนกันเนี่ยท่านมอบพินัยกรรมเขียนพินัยกรรมให้รรใหลวงพ่อเป็นองค์หนึ่ง mm hmm. เมื่อท่านล่วงรับดับขันไปให้เงินบาททุกบาททุกจตางานที่มาในงานศพของท่านให้ซื้อทองคําเข้าคลังหลวงทั้งหมดนะอันนี้ก็หลวงพ่อก็ได้ทําจุดนั้นเรียบร้อยแล้วบันนี้ก็คเอาเรื่องพระเจดีไม่ใช่หน้าที่ของเรา เป็นหน้าที่ของสิทธิ์ยาวด้วยสิทธิ์แต่ว่าถึงยังไงก็หลวงพ่อในฐานะเป็นพระควรจะทั้งดานวัตถุ ด, ด้วยทั้งนามธรรมด้วยนามธรรมคือศีลธรรมถึงดานวัตถุก็เนี่ยอามิชบูชาเราก็ควรจะไปพร้อมๆกันนะวันที่หลวงพ่อได้พูดแนวความคิดเสียจืดยาวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะว่าเมื่อวานไปบ้านตาดมาแล้วก็ หลวงพ่อก็ได้อยากจะพูดบันทึกในข้อความไว้อีกเหมือนกันนะเพื่อเป็นคำพูดเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของลูกหลานต่อไปในอนาคตนะต่อในไปพระสงอนุโมทนาให้พร